ไหมออปวดนั่งนานๆ น, น, นั่งไม่เปลี่ยนนี่ปวดถามว่าอะไรปวดถามว่าอะไรปวดอะไรปวดแข้งขาปวดลองถามแข้งขาดูแข้งขาปวดไหมถามดูและยัง ถามแข้งขาดูแข้งขาปวดไหมแข้งขาปากไม่เป็นแก้งแข้งขาแสดงว่าแข้งขาไม่ปวดอืมดูไปชัดแข้งขาไม่ปวดแข้งขาไม่ปวดอะไรปวดความปวดนั่นแหละที่เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นที่กายเนื่องจากกายของเรา ไม่ได้เปลี่ยนอิรยาบถตามเหมาะตามควของมันทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นอตอนสุขเวทนาเกิดขึ้นอตอนเรานั่งทีแรกเรานั่งสบายๆ ส, สุขเวทนามีนั่งสบายมีสุขมีความสุขคือตอนนั้นทุกขเวทนามันยังไม่รุนแรงมันยังไม่เกิดแต่สุขเขวทนามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อ่าแล้วก็เป็นอารมณ์ที่จะทําให้คิดของเราเนี่ยเพลินไปง่ายๆด้วยสุขเวทนานะความสุขกาย ต, ตอนที่ยังไม่ปวดเราถือว่าเป็นความสุขตอนนั้นนั่งบสบายนั่งภาวนาบุโทโธบุธโทบธโทธพุตรโตลมหายใจเข้าให้ใช้ออกตอนยังไม่ปวดมันสบายๆมันเป็นความสุขสุขเวทนาสุขเวทนาที่กายนี่เราพูดถึงกายนะ สุขเวทนาที่กายแต่สุขเวทนาที่กายน่ะจิตมันไม่ค่อยอยู่ดอกจิตมันไม่ค่อยอยู่ถ้าไม่ถึงขั้นสุขเต็มที่เนี่ยมันจะไม่อยู่มันจะพานึกเพลินไปกับความนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนีม้มันยับออกไปเลยจิตปรุงออกก็ไปเรื่อยปรุงออกก็ไปเรื่อยเพราะความสุข อันนั้นอ่ะมันเป็นความสุขที่เราเอาจิตไปกำหนดจดจ่อไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องแล้วก็มนนันเป็นอารมณ์ที่ไม่รุนแรงอารมณ์ที่ไม่รุนแรงมันจะไม่ค่อยดึงจิตแต่พอนั่งไปนั่งไปนั่งไปครึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีหกสิบนาทีหกสบกว่านาทีหกหสิบนาทีครึ่งเชั่วโมงครึ่งเนี่ยเรารู้สึกปวดขัดขึ้นมาอย่างรุนแรง มันเริ่มปวดปวดมากๆเนี่ยปวดมากๆใจมันไม่ไปอลไรแต่เนี่ยใจมันอยู่กับความปวดใจมันอยู่กับความปวดเพราะความปวดตอนนั้นมันรุนแรงมากก็เหมือนอย่างที่เรานั่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันปวดไหมรุนแรงไหมถ้าท่านอยากรู้ว่ามันรุนแรงท่านจะไปเปลี่ยนมันอย่าไปเปลี่ยนนั่งดูความปวดนั่นแหละดูไปสักพักม like ันทนไปสักพักหนึ่ง พักหนึ่งแล้วไม่พอ ด, ดูไปสักสองพักสองพักไม่พอดูไปสักสามพักพักหนึ่งก็คือยกหนึ่งยกหนึ่งของมันนั่นแหละมาดูความปวดอดูความปวดะถามว่าอะไรปวดเอาใจของเรานะถามว่ามันอะไรปวดคายปวดไหมแล้วก็ฟังดูมิดจริงใช่ไมืมกายตรงต่อเพะของเราปวดไหมก็งเงียบ หนังเนื้อเอ็นกระดูกปวดั้มก็เงียบเพราะกายมันไม่มีความรู้สึกอะไรกายเนี่ยกายมันเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่เป็นนามธรรมกายไม่ใช่สิ่งรับรู้รับสัมผัสกายเป็นวัตถุกายเป็นวัตถุ น, ตถนี่เป็นสัยธรรมนะ เราามไปที่กายกายปวดไหมกายไม่รู้เรื่องกายไม่ได้ปวดดูไปให้ชัดเจนจริงๆกายไม่ได้ปวดามไปที่ความปวดน่ะความปวดหรือมันปวดอะไรปวดความปวดก็คือเวทนาเวทนาปวดไหมถามมันดูเวลามันปวดรุนแรงให้อาจิตเราถามดูอันนี้เป็นการฝึกซ้อมนะถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เราจะหาวิธีต่อสู้ยากแต่ถ้าหากเราต่อสู้ได้แล้วเราได้ปัญญา ได้ปัญญาอย่างรวดเร็วทีเดียววิธีการนี้ได้ปัญญาอย่างรวดเร็วเพราะความเจ็บปวดนี่มันก็เป็นสัจธรรมเป็นทุกข์สัตว์อย่างหนึง่งมันแสดงให้ปรากฏนะมันเป็นทุกข์สัตว์อย่างหนึ่งที่แสดงให้ ป, าปรากฏแต่เวลาสัจธรรมปรากฏแล้วเรามักจะไม่ค่อยสู้หน้ามันเมื่อเราไม่สู้หน้ามันแล้วก็เปลี่ยนเราไม่สู้หน้ามันเราก็พลิกเราก็เปลี่ยนแบบนี้ ความจริงจะไม่ปรากฏที่ใจของเราความจริงที่แท้จริงมันไม่ปรากฏที่ใจของเราแต่อตอนที่เราเปลี่ยนเราคิดว่าเราเจ็บเราคิดว่าเราปวดเอาเราเข้าไปแทรกเข้าไปอีกว่าเราเจ็บว่าเราปวดก็กายมันไม่ได้เจ็บ <c oughs> ไม่ได้ปวด เวทนาคือความทุกข์มันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเราลองถามมันหนูมันจะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรปวดอะไรเจ็บปวดจิตไหมจิตศัธธพท์ว่าผู้รู้จิตดูมาให้ละเอียดจริงๆจิตก็ไม่ได้เจ็บจิตก็ไม่ได้ปวดนะดูนะลองดูแล้วก็ลองปฏิเสธแล้วก็ลองดูดูอันนี้เป็นสัจ ธ, ธรรมที่ปรากฏชัดกับผู้ที่ตั้งใจพยา ย, ยามดูแต่รัก ไม่พยายามดูจะไม่เห็นแล้วก็จะมาขัดแยง้งว่าจิตไม่ปวดจิตคือผู้รู้ผู้รู้สักท์ท่ว่ารู้จิตจะไม่ปวดอผู้รู้นี่มันไปรับรู้คือจิตผู้รู้กลับไปรับรู้ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้อไม่ใช่กายปวดไม่ใช่เวทนาปวดและก็ไม่ใช่จิตปวด ดูไปให้ชัดเจนแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปวดอะไรคือความปวดอันนี้เป็นปัญหาที่เรางงเลยแหละอันนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆเราจะเห็นได้ยากสิ่งที่มันพาปวดก็คือความยึดความถือด้วยตัณหาด้วยอุปาทานตัณหาและอุปาทานนั่นแหละมันเป็นกิเลสกายมันเป็นสัตธรรมมันเป็นสภาวะธรรมเวทนามันเป็นสภาวะธรรม จิตมันก็เป็นสภาวะธรรมอจิตมันก็เป็นสภาวะธรรมทีนี้ตันห้าวปาทานเป็นอะไรตันห้าวปาทานมันเป็นผลผลิตจากกิเลสมันมันผลมันก็ผลิตมาที่กายนี่แหละมันก็ผลิตมาที่จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากจิตเราเผลอปั๊บเราพิจารณาไปแล้วเราปล่อยให้จิตเราเผลอปั๊บ ไอตัวตันหาตัวปาทานที่เราเคยมีประจําทาตุประจําขันมาเนี่ยมันก็มายึดเข้ามายึดทันทีว่ากายเรากายของของเรากายเราเจ็บกายเราปวดเมื่อเมื่อมันได้รู้ว่ากายเราเจ็บกายเราปวดแล้วมันก็ว่าเวทนาเราเจ็บเวทนาปวดรู้ว่าจิตเราเจ็บจิตเราปวดแล้วแต่มันจะว่ามันซุ่มเดาไปหมด โดยหลักเหตุผลที่แท้จริงแล้วมันเป็นการทายเหตุกับผลไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงาทายเหตุกับผลไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงเมื่อเราปล่อยให้ตัณหามันแทรกเข้ามาที่จิตของเราตัณหาก็มายึดยึดว่าเป็นกายเราอัตตาตัวตนก็โผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตน เนื่องจากเรามองไม่เห็นเรามองไม่ชัดนะเราเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นว่าเอาความเป็นตัวเป็นตนคือความยึดถือด้วยตันหท้าปาทานเนี <c> ่ย <oughs> มามั่นหมายว่าตนเจ็บว่าตนปวดโอ้ตนเจ็บโพตนปวดจะหักและจะระเบิดแล้ ว, ลบบลวต้องพลิกต้องเปลี่ยนนะถ้าเราปล่อยให้ตัวนี้แทรกเข้ามาเราต้องพลิกต้องเปลี่ยนตามมันทันทีเพราะอะไร เพราะมันมันเข้าไปแล้วมันโอ้ยลูกสมุนมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอันนั้นก็ปวดตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นก็ทงในอย่างมันมงุดงิดเต็มไปหมดไหนสุดก็ต้องรือบรรลังให้มันนะต้องขยับต้องขยื่น <c oughs> ต้องพลิกต้องเปลี่ยนนี่คือสัจธรรมที่เราดูเวทนาดูไปแล้วเราเราจะประสบผลเห็นอย่างนี้แต่ต้องพยายามดูให้ชัด น, นะ อย่างดูให้ชัดถึงจึงจะเห็นถ้าดูไม่ชัดไม่ตั้งจิตให้ดูให้ใจดูให้ชัดจะไม่เห็นเมื่อเราเห็นสัจธรรมแล้วสัจธรรมกายก็สักถ้าว่าเป็นกายเวทนาก็สักถ้าว่าเป็นเวทนาจิตก็สักถ้าว่าเป็นจิตตราบใดที่มันยังเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่มันจะขาดก็ไม่ขาดจิตจะขาดจากไอ้ผู้ไอ้ความเจ็บปวดก็ไม่ขาดกายจะขาดจากความเจ็บปวดก็ไม่ขาดเวทนาจะขาดจากความเจ็บปวดก็ไม่ขาด กระวัาิตันหาอุปาทานมันแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาเราพยายามสังเกตดูที่ใจขอราเราอยากทราบตันหาคือความขยันอยากมันอยากพอมันแทรกเข้ามาปั๊บมันเสริมความอยากขึ้นมาทันทีมันอยากไงมันอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดนะมันอยากสบายๆเพราะร่างกายมันไม่พอดีมันก็เป็นเจ็บมันก็เป็นปวดแต่ถ้าหาร่างกายของเราพอดีพอดี ร่างกายของเราก็สบายแต่ถ้าเกินพอดีมันก็ไม่สบายมันขัดมันค่อ ง, อ, องเลือดลอมเนื้อไม่สะดวกมันเจ็บมันปวดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานี่เป็นเรื่องของกายเอแต่ถ้าเราปล่อยปับ๊บมันยึดปับ๊บเราก็หลงเพลินไปกับตัญหาที่มันแทรกเข้ามาที่กิตโอ้เราเจ็บโอ้เราปวดเราก็เลยรู้อบรรลังให้กับมัน นี่คือทุกเวทนาถ้าเราพยายามต่อสู้หยุดตรงนี้ได้เราก็จะเห็นความเราก็จะเห็นสัจธรรมวิธีการต่อสู้ที่ทียิบขึ้นไปเพื่อไม่ให้ตันหามันแทรกเข้ามาได้มีอยู่อ่าเอาแล้วทําไงเรามีวิธีการยังไงที่เราจะพยายามทําจิตของเราไม่ให้ตันหามันแทรกเข้ามาได้ไม่ให้อุปาทานแทรกเข้ามาได้พอตันหาโผล่เข้ามาปั๊บ ปูปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนว่าเป็นของของตนก็ตามม า, อาพอตันหาเกิดขึ้นปับ๊บปูปาทานก็ตามมาทันหาคือความอยากความอยากความอยากมันมีอยู่ภายในใจความอยากความเะเยอทะยานอยากมั น, นมันยึดยึดกายทันหาอุปาทานยึดกาย ปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดพบพบเป็นเหตุให้เกิดชาติเนี่ยอันนี้เป็นปัจจุบันสื่เนื่องกันไปคือหมายมันหมายอ่ะมันหมายพอมันยึดพอมันยึดได้แล้วมันก็หมายยึดว่าเป็นกายเราว่าเป็นของของเราแล้วมันก็พลิกไปตามใจชอบของมันเราต้องพลิกต้องเปลี่ยนเนี่ยแล้วหมายยังไงมันก็พลิกไปงั้นมันเปลี่ยนไปอย่างั้น เป็นปัจจัยเกิดพบเป็นปัจจัยเกิดชาติจากกิริยาอย่ะนั่งท่าหนึ่งมกรพลิกไปอีกท่าหนึ่งนี่เราก็นับเป็นพบเป็นชาติได้พลิกจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งเพื่อให้หายเจ็บให้หา ย, ายปวดนี่เอาตอนนี้เราตีเข้าในหลัปกปฏิจจสมุปบาทวิธีการที่เราทําเพื่อให้ทันตัณหามีอยู่น้องตาท่านสอนให้พิจารณาแยก แยกๆ ก, กันอตอนที่มันเจ็บมันปวดเต็มที่ทนานใช้พยายามใช้สติอย่างทียิบอย่างต่อเนื่องไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันเผลอวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ต่อสู้ด้วยน้ําพักน้ําแรงหลวงตาท่านเรียกว่าวิธีการที่มัดมือชกเนี่ยวิธีการนี้เป็นวิธีการมัดมือชก มัดมือกิเลสชกหน้ากิเลสหรือเอาเอาอะไรเป็นตัวชกเอาสัจธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ยชกมันเรียกว่ามัดมือชกเลยแล้วก็มจดจดจออย่างต่อเนื่องไม่ให้ความอยากมันมาแทรกที่จิตอไม่ให้ความอยากมันแทรกที่จิตคือมันอยากเวลามันอยากขึ้นมาเดี๋ยวเราก็พลิกเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนมันอยากไม่เจ็บมันอยากไม่ปวดหรือมันอยากพลิกอยากเปลี่ยน แท้จริงตัวศูนย์กลางความอยากของมันคืออยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดนี่แหละที่คือตัวความอยากมันยอมรับสัจจธรรมไม่ได้ทั้งๆที่กายมันเจ็บมันปวดตามภาวะของมันตามสภาวะของมันท่างให้ใช้สติจดจด่อต่อเนื่องอย่างถีเย็บให้กำหนดมาที่กายกำหนดไปดูที่กายดูที่กายมันปวดที่โพกแล้วกำหนดจ่อไปทิ่ตโพก แล้วก็กำหนดไปที่เวทนาคือความเจ็บความปวดเราพลิกความรู้สึกจากกายไปแช่อยู่ที่ที่เวทนาแช่อยู่ที่เวทนาคือความเจ็บความปวดผู้พลิกผู้เปลี่ยนก็คือจิตก็คือผู้รู้นะวก็ไป ก, หกากหนดรู้ที่รู้ที่กายกาหนดรู้ที่รู้เสร็จแล้วก็ไป <c oughs> <c oughs> เลื่อนจากรูป <c oughs> ไปเวทนาเลื่อนจากเวทนามาที่รู้ ทำความรู้ที่กายแล้วก็เลื่อนไปที่เวทนาทําความรู้ที่เวทนาแล้วก็เลื่อนมาที่กายทําความทีเย็บให้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มันเผลอเสร็จแล้วทนให้ย้อนมาที่จิตคือผู้รู้อีกด้วยพิจารณากายย้อนจากกายก็มาดูจิตย้อนจากจิตก็ไปดูกายย้อนจากกายก็ไปดูเวทนาเอามันยังอยู่สามขานี่แหละย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปโดยที่เราไม่ไปแช่ให้อยู่กับที่ทนาย ไปแช่อยู่กับที่นั่นเ่าอาจจะเสียท่าเสียทีให้กับตัณหาได้เดี๋ยวพอสักหน่อยนมันชินพอมันชินปั๊บตัณหาก็แทกพอมันชินปั๊บตัณหากระแทกพอแทกปั๊บเราเสียท่ากับมันแล้เราพยายามตั้งเจตจำนงเปลี่ยนเปลี่ยนมาที่จิตมาดูที่จิตเพราะอะไรเพราะตัณหามันเกิดมันจะเกิดที่จิตนี่คือต้นตอของตัณหาที่เกิดมันไม่เกิดที่กายนะมันเกิดที่จิต ไอ้ตัวยึดถือตัวตันหาตัวปาทานเวลามันจะเกิดมันไม่เกิดที่กายมันไม่เกิดที่เวทนามันเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนมาดูที่จิตดูจิตเขาไปดูเวทนาย้อนไปดูเวทนาดูเวทนาก็ไปดูกายดูกายแล้วก็ย้อนมาที่จิตดูจิตแล้วก็ไปดูกายดูกายแล้วก็ดูจิตดูจิตแล้วก็ดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ดูจิตดูจิตแล้วก็ดูกายดูกายแล้วก็ดูเวทนาแล้วก็ดูจิตสามขานี่แหละ ยังสามขาเหรอพลิกเปลี่ยนขาเปลี่ยนไปขาตายเปลี่ยนไปขาเวทนาเปลี่ยนไปขาจิตย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นถ้าความยินดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่าตัณหามันลุกลัมแล้วตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วถ้ามีความยินร้ายเกิดขึ้นจากที่มันเจ็บมันปวดแสดงว่า แสดงว่าตันหาอามันยึดมันเริ่มแทะเข้ามาแล้วถ้าปล่อยให้ยินดีเกิดขึ้นคือตันหามแทะเข้ามาแล้วถ้าปล่อยให้ยินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยตันหามก็เริ่มแทะเข้ามาแล้วเพระาะฉะนวิธีการเราจะต้องทําตรงนี้อย่งอางถหยิบเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยขยับก็ไปเรื่อยอหมดยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกต่อสู้กันอยู่นี่ น, นะยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกอ มรงตาท่านท่านท่านพูดเอาไว้ลงตากันเทศเอาไว้ขอให้ตั้งสัจจะว่ า, ข อ, ว า, าขอให้ความจริงปรากฏขอให้ความจริงปรากฏขอให้เจ็บปวดตายอุจจาระปัสสาวะทะลักเข้ามาก็ตามจะไม่ยอมเลิกจะไม่ยอมหรือเป็นเด็ดขาดถ้าเราทําถึงขั้นอุกเ ก, กจริงๆมันจะถึงขั้นนั้นจริงๆมันขั้นเอาเป็นเอาตายเข้าใส่จริงๆ พอถึงขั้นนั้นแหละเดี๋ยวเดียเด๋ยวก็ได้ความอศัศจรรย์เดี๋ยวก็ได้ความอศัศจรรย์ต้อง hm. ระวังความยินดีไม่ให้มันเกิดขึ้นความยินร้ายไม่ให้มันเกิดขึ้นอาศัยสติตสัตว์ตัวว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลรู้เป็นเครื่องกงําหนดรู้เราจะว่ากําหนดรู้ก็ได้เราจะว่าพิจารณาก็ได้เราเราจะว่าตามรู้ก็ได้มันมันเกิดขึ้นจากกิริยาของจิตทั้งหมดนั่นแหละ ที่เราเอามาทำงานอันนี้เป็นวิธีการที่เราต่อสู้เวทนานะถ้าเราไม่มีวิธีการนี้เราจะพับมันลายกับมันง่ายและวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทำให้เราได้กาลังใจเร็วเร็วลองเดี๋ยวนี้ลองเดียเด๋ยวนี้หมดยกนี้หมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกเราจะเห็นความอัศจรรย์นในใจของเราเราจะเห็นความแปลกแตกต่างในอัในใจของเรา อย่างเราเคยนั่งนั่งเลื่อนลอยนั่งมืดมืดทึบทึบนั่งไม่เห็นอะไรเป็นที่ชัดเจนในหัวใจของเราเรานั่งนานๆแล้วเวญนาเกิดล้เอาเบญนาตัวนี้แหละมัดจิตของเราพิจารณาตามหลักนี้แหละพิจารณาตามหลักอันนี้เป็นปฏิปทานะเป็นข้อปฏิบัตินะเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้ไปพิจารณาจนเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยตัวของตัวเราเองว่าโอ้จิตสัพพะวาจิตจริงๆ า ก, ววกายสัตว์ว่ากายจริงๆเวทนาสัต ว, ว์ว่าเวทนาจริงๆไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาอตราบใดที่มันมีสัตว์ตราบใดที่มันมีบุคคลสัตว์บุคคลนั่นแหละจะเป็นผู้เจ็บนี่แสดงว่าตัณหาเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตัณหาเข้าไปผูกพันแล้วแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเป็นช่องทะลุเป็นรูรั่วแล้วทาให้ตัณหาแทรกเข้าไปที่จิตได้นี่วิธีการ เราพิจารณาไปจนเห็นความอัศจรรย์ความอัศจรรย์ต้องเกิดขึ้นต้องมีขึ้นอย่างได้ถ้าไม่พับบัลลังก์ซะก่อนอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ประสบอาจจะเป็นกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่การสั่งสมอบรมสติสมรรยัตญญิของเราให้แก่กล้ามั่นคงไปเรื่อยๆผลต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีขึ้นจะต้องเกิดขึ้นจะต้องตามมาจะต้องประสบพบเห็นอย่างแน่นอนนี่คือการต่อสู้ ทุกเวทนาหลังจากเราประสบพบเห็นสัจธรรมปรากฏที่เราชัดเจนแล้วมันก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้กักบจิตของเราได้ดีมากพอเรานั่งภาวนาที่ไรเมื่อไร่เราก็เคยต่อสู้มาแล้วเรากําหนดลงเหมือนเดิมเราก็กำหนดลงเหมือนเดิมด ม, ด ม, มันจะปวดมากขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ปล่อยมันจะไม่ปวดขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ปล่อ ย, อยนี้เป็นภาวะของผู้ ของผู้ที่เจริญนี่หลักนี้เป็นหลักเรียววัตรหลักมหาสติปัฏฐานพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตไปในขณะเดียวกันพิจารณาสับไปพิจารณาสับมากลับไปกลับมากลับมากลับไปตั้งเจตนาเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเโดยที่ไม่ให้มันหยุดนิ่งเพื่อเป็นการหลบหลีกจากนั้นก็สังเกตสังการตัวกิเลสตัวตัณหามันจะเกิดขึ้นพอตัณหาเกิดขึ้นปั๊บ เรารู้ทันปุ๊บมันดับนะพอมันเกิดขึ้นปุบ๊บพอตันหามันเริ่มแย่เข้ามาสแสดงเข้ามาปุบ๊บเรารู้ทันปุบ๊บมันก็ดับถ้าเราจับได้ตอนนี้เราจะมีกําลังเพิ่มมากหนึ่งครั้งกําลังก็เพิ่มสองครั้งกําลังก็เพิ่มทีนี้เราก็ค่อยรู้และรู้ต้นต่อสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือตัวนี้แหละตัวความอยากนี่แหละตัวตันหานี่คือความอยาก ความทยอทยานอยากของจิตตัวนี้คือสมุทยัยร่างกายของเราเป็นกองทุกข์จิตใจของเราเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นกองทุกข์แต่และอย่างไต่อย่างเป็นกองทุกข์ทุกทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผลมาจากเหตุคือสมุทยัยสมุทัยเป็นตัวเหตุนั้วเมื่อสมุทัยเป็นตัวเหตุสมุทัยเป็นฝักไยของกิเลส มันแสดงตัวปรากฏเมื่อไหรนะ่มันแสดงตัวปรากฏเมื่อไหร่สัจธรรมที่เป็นกายนะก็เป็นเราที่เป็นเวทนาก็เป็นเราที่เป็นจิตก็เป็นเราเป็นเราไปหมดเมื่อมีเราแล้วเมื่อมีเราแล้วก็มีการยึดเมื่อมีการยึดแล้วก็มีความทุกข์ก็คือเราคิดว่าเราทุกข์ในเมื่อ ตาตัวตวนโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าเราทุกข์เราทุกข์เราทุกข์เราทุกข์มันก็เสริมกําลังขึ้นมาจนเราอดไม่ได้ทนไม่ได้เราต้องรื้อบรรลังให้กับมันวิธีการต่อสู้เวทนาเราตั้งใจตั้งใจฝึกฝนอบรมตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะได้อุบายเราจะได้วิธีเราจะได้ความชำ น, นิชานาะญเราสามารถนั่งได้ตลอดทั้งคืนถ้าหากเรา ได้วิธีการนี้เพราะอะไรเพราะศัจธรรมที่แท้จริงตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้ศัจจธรรมก็แสดงปรากฏอยู่อย่างนี้ อ, อีกอย่างหนึง่งเจ็บปวดเจ็บปวดยังมีอยู่ไม่หายขาดไปแต่ว่าไม่สามารถจะมาทับถมใจเราได้สามารถเอาผู้รู้ดูความเจ็บความปวดได้อย่างสบายดูอยู่อย่างนั้นค้นคว้ายอยู่อย่นั้นดูอย่างนั้นค้นคว้ายอย่างนั้น เราดูตันหาที่มันมีอยู่ภายในจิตของเรามันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นเร้าเร้าๆอยู่นั่นแหละแเราก็ดูมันเหมือนกับเราทุกหัวปลาน่ะมันดิ้นเร้วเร้าเราเห็านั่นแหละก่อนที่มันจะตายมันก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นแหละคือตันหาที่มีอยู่ภายในหัวใจของเรามันจะแทรกเข้ามาเีเราใช้วิธีมัดแบบนี้เป็นเหตุที่เราได้ปัญญาขึ้นขึ้นเร็วได้อบายได้วิธีเห็นสัจจธรรม ถ้าไม่มีสติมีสัมผัชัญนยะอย่างต่อเนื่องผลก็จะคืบหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยนีื่อวิธีหนึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นที่ตั้งเอากายเป็นฐานของสติเวทนาเป็นฐานของสติจิตเป็นฐานของสติจิตเป็นฐานของสติทีนี้วิธีที่ต่อสู้เวทนาครูบาจารย์ท่านนั่งพับ า น, นั่งปับพราจิตสงบจิตลงรวมเงียบลงไปเลยไม่รับรู้ไม่รับทราบอันนี้คือระดับของความสงบภายในจิตมันลึกลงไปกว่าพื้นฐานธรรมดาที่เรามาพิจารณาทุกขเวทนาเนี่ยเพราะว่าจริตนิสัยจะไม่เหมือนกันจิตนิสัยบางองค์ท่านเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพอกําหนดปับเนวลึกหายเงียบไปเลย จนกว่าจิจตจะถอนออกมาก็นับเป็นชั่วโมงชมงั่วโมงอันนี้ไม่เจ็บไม่ปวดอันนี้ท่านเรียกว่าภาคอันนี้ท่านเรียกว่าภาคความสงบภาคความสงบเจโตแล้วก็ลักษณะนี้ท่านเรียกว่าลักษณะเป็นเหตุเดินไปเพื่อไปสู่เจโตวิมุตต์เจโตวิมุตต์เราพิจารณาทุกขเวทนาทั้งหลายเป็นไปเพื่อปัญญาวิมุตต์ เส้นสายของค์การที่จิตของเราจะเดินไปหรือบางทีก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันมีเป็นข้อปฏิบัติเราฟังแล้วเราอาจจะฟังยากแต่ถ้าหากเราฟังไปด้วยเราทําไปด้วยเราพริจารณาอาการที่มันมีมันเป็นอตอนที่เรานั่งยอยู่เฉพาะหน้าเราเราก็ดูเราก็อ่านเรา ก, ารากพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอ่านวิจารณวิจัยเข้าไปนี่เป็นงานค้นคว้า จิตมันไม่ไปไหนทําไมถึงไม่ไปไหนก็เพราะว่ามันปวดมันปวดมากๆอ่ามันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงจิตมันจะไม่ไปเมื่อจิตไม่ไปมันก็อยู่อ่าเมื่อจิตไม่ไปมันก็อยู่อยู่วนเวียนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นเวียนอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่กับกายกับเวทนากับจิตอ่จนสัจธรรมปรากฏขึ้นเราเราเราทราบความอัศจรรย์ภายในจิตของเราเอง เราสามารถนั่งนั่งได้นานนั่งได้นานเพราะเพราะเวลาเรานั่งไปแล้วพอมันถึงที่มันถึงที่มันเท่ากับมันทิ้งไปหมดมันทิ้งไปหมดหรือแต่สัจธรรมปรากฏอยู่อย่างนั้นหรือแต่สติกับสัมผัสชันยะเป็นผู้กําหนดรู้เป็นผู้ระลึกรู้เรานั่งได้นานเท่าไหร่ก็ได้นั่งตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่ง่ายเพื่อพระตามที่เราได้ยินได้ฟัง เราจะต้องสั่งสม อ, อบรมมาจนพอทําแล้วทํำแล่าทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกศึกษาจนเชื่องจนชินกว่าจะมีกําลังใจแล้วก็ผ่านตรงนี้ได้อก็ต้องผ่านการฝึกฝนอบรมพอสมควรพอที่จะมีผลปรากฏภายในจิตใจได้ทั้งสองอบรมมาจนเพียงพ อ, อไม่ใช่ไม่ใช่จับเสือมือเปล่าแล้วก็จะได้ไง่ายไม่ใช่ พวกเราพยายามตั้งใจ เ, เราก็มีความสงบเราก็อาศัยความสงบเวลาเราไม่เจริญไม่สู้กับเวทนานี้เราก็มาภาวนาพื้นพื้ น, นธรรมดาเพื่อให้ใจสงบให้ใจสงบ เ, เป็นการเดินเดินเดินเพื่อความสงบ เช่นอย่างเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เราภาวนาเพื่อความสงบของใจใจมันไม่สงบเพราะกิเลสมันมายุแย่ใจมันมากวนใจมันแย่แล้วมันดึงไปนั้นแย่แล้วก็ลาบไปนี้แย่แล้วก็ดึงไปนู้นแย่แล้วก็ดึงไปนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่มันแทรกมามันจะแทรกมากับความคิดพอความคิดหรือสังขารบพรุงยับมันจะคอยเปลี่ยนแปลงแทรกเข้ามาตอนตอนสังขารมันแยบแยบนี่แหละแยบ ถ้าเราไม่ระวังมันเปลี่ยนไปแล้วแยบทํ า, าไม่เราเราไม่ระวังมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าเราระวังตั้งท่าก่อนมันเย็บเข้ามาเราเห็นเรารู้เยบเข้ามาเราเห็นเรารู้เย็บเข้ามาแล้วก็ดับลักษณะนี้ก็เวลาวิธีทันทันกี่มันแทรกเข้ามานี่ก็สามารถทันได้เหมือนกันแต่การที่เราต่อสู้เวทนาเราทันวิธีการนั้นมันเป็นการเห็นที่ชัดเจนมากกว่าชัดเจนมากกว่าได้กําลังใจมากกว่าเป็นเครื่องประเทืองปัญญามากกว่า ตื่นเนื้อตื่นตัวมากกว่าตื่นเนื้อตื่นตัวมากกว่ามากกว่าที่เราตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าหากเราพุทโธด้วยกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยแล้วเราพยาพยามสังเกตพยายามสังเกตตัวความอยากมันแสดงออกมาที่จิตด้วยอันนี้มันก็เป็นลักษณะของมหาสติเหมือนกันมันเป็นลักษณะของการเจริญปัญญาเหมือนกัน เป็นลักษณะของการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการพิจาราลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกกำกับกับคำว่าพุทธโธมันเปลี่ยนได้ทั้งสมถะมันเปลี่ยนได้ทั้งวิปัสสนาสมถะหมายความว่าสงบอยู่กับที่วิปัสสนาหมายความว่ารู้กระจายทั่วๆไปรู้กระจายทั่วๆไปรู้ทั่วๆไปในกองสังขาร ในกองรูปในกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองปิญญาณมีไปดองเวทนาสมถะก็คือยืนอยู่กับที่วิปัสสนาคือเดินเข้าไปขยับเข้าไปสมถะคือความสงบนิ่งอ่าวิปัสสนาคือความไหวตัวไว้เพื่อพลิกแผลงเปลี่ยนแปลงขยับขยเื่นอ่าพิสูจนขุดคุยขุด ค, ค, ค, ค, ค้นวิจารณ์วิจัยอ่ากับอารมณ์ที่มีอยู่จังเพาะหน้านั่นแหละเพื่อหเห็น ถ้าเห็นหลักสัจธรรมหลักสัจธรรมอันหนึ่งที่มันแสดงตัวให้ปรากฏตลอดก็คือลักษณะของอนิจจ์ลักษณะของทุกขังลักษณะของอนัตตาอืมลักษณะของอนัตตาการที่เราพยายามมองให้เห็นเรื่องหลักของสัจธรรมนั่นแหละอ่ามันเป็นอนัตตาลักสัจธรรมมันจะทํางานตามหน้าที่ของมันเราไม่ไปบีบต้องขับมันมันทํางานตามหน้าที่ของมันเหมือนลมหายใจเข้าลมหายใจออก เขาทํางานตามนาทีของเขาตั้งแต่เราออกมาจากท้องแม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราหายใจเองได้ลมหายใจเข้าหายใจออก ก, ก, ก็ทํางานต่อเนื่องมาะจะหยุดต่อเมื่อตายตา ย, ตายถึงจะหยุดหรือไม่บ า, บางการบางคราวสลบลมหายใจก็หยุดสักหน่อยหนึ่งก็หายใจแผ่วเบาแล้วหายใจออกมาอีกอนี้คือลักษณะของความสลบมันจะหยุดได้อย่างนั้นแต่ถ้ามันหยุด ท้าววรจริงๆก็คือตายอย่าลมหายใจนี่มันเป็นสภาวะธรรมดูสภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมกำหนดลมหายใจเข้าหลบพำหนดลมหายใจออกแต่ในขณะเดียวกันก็สังเกตจิตอีกเหมือนกันเนี่ยมันมวีวิธีการหลายวิธีการถ้าเราได้อย่างเดียวแล้วมันจะกระจักระจาย ก, ก, ก, ก, กัน อ, อ้างอิงกันได้คล้ายคลยคลึงกันได้อะไรเกิดขึ้นจำเพาะหน้าเราพยายามน้อมอารมณ์ที่เราเคยเกี่ยวข้อง ที่เราเคยได้นั่นแหะมันจะเข้ากันหมดสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเช่นอย่างเรามาเจริญอัญาปานสติคนหมดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ากพุธลมหายใจออกก็โทลมหายใจเข้าพุธลมหายใจออกโท ถ, ถ้าเราไม่พยายามตั้งใจสังเกตสังกาเรากําหนดให้มันอยู่กับความสงบแค่นี้อย่างอื่นก็แทรกละหมาไม่ได้ อย่างอื่นมันกระแทกเข้ามาไม่ได้ทีนี้ถ้าเรากําหนดแล้วจิตมันมักจะไม่อยู่เมื่อจิตไม่อยู่เราก็พยายามใช้ความจดจอ่อสังเกตสังกาด้วยสังเกตความอยากที่มันจะพึงแสดงออกมาคำา่าแสดงออกมาก็คือมันจะมาเปลี่ยนคว า, ามรู้สึกแหละมันจะมาเปลี่ยนอารมณ์จากคําว่าพุโทโธพุโทโธมันจะดึงไปรูปนั้นมันจะดึงไปรูปนี้รูปปัจจัยที่มันเกิดมันขึ้นมีขึ้นในจิตนั่นแหละ มันโผล่ขึ้นมาที่จิตนะมันคอรจะจะโผล่ขึ้นมานั่นจะโผล่มาหลอกอันนี้จะโผล่มาหลอกใจมันวาดภาพอยู่เรื่อยเพราะสัญญาเมื่อเกิดขึ้นที่ใจเวทนาทางจิตก็เกิดขึ้นที่ใจสังขารระจิตก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละคือความกระดุกกระดิกพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงของจิต ท, ที่เรียกว่าสังขา ร, รจิตแต่เวลาท่านมาสรุปท่านก็สรุปว่าคิดอย่างหนึ่งก็คือคิดดีคิดอย่างหนึ่งคิดชั่ว คิดดีเป็นปุญญาพิสังขารคิดชั่วเป็นอักปุญป ญ, ญาพิสังขารในขณะที่จิตไม่นึกไม่คิดจิตเข้าฌานสงบนิ่งอยู่จิตเข้าฌานสงบนิ่งอยู่นี่ต้อเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารอพอขยับตัวออกมามันก็ปรุงดีพอขยับตัวออมาก็ปรุงชั่วปรุงดีปรุงชั่วปรุงดีชั่วคือความกระดกเด็ ก, กพลิกแผลงของจิต มันนึกคิดเรื่องรามมากมายมหาสารแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สรุปลงแค่ว่าอย่างอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งชั่วคืออย่างหนึ่งเป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่งกิเลสพาปรุงอย่างหนึ่งธรรมพาปรุงธรรมพาปรุงนี่มันปรุงมาให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของของหลักความเป็นจริงหลักของธรรมชาติกายหลักของธรรมชาติจิตถ้าเป็นธรรมพาปรุงถ้าเป็นกิเลสพาปรุ ง, รงมันก็ปรุงหลอกอหลอก รูปปรุงรูปนั้นออกมาปรุงรูปสวยปรุงรูปงามปรุงสิ่งหน้าเกลียดปรุงสิ่งหน้ากลัวปรุงอะไรสารพัดมันปรุงเองมันก็หลงเองมันก็ติดใจเองมันก็เพลินเองเช่นอย่างมันปรุงแป๊บเป็นรูปเี่นหนากลัวที่สุดอถ้าเป็นคนกลัวผีก็ปรุงแป๊บผีนันผีอย่างนจิตมันปรุงเองมันก็กลัวเอง แต่ถ้าเราดูไปที่ต้นต่อที่แท้จริงของมันก็คือจิตมันปรุงเองมันนึกเองมันคิดเองมันปรุงเองไม่มีผีจริงๆไม่มีอันนี้อันนี้เรายกตัวอย่างแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันปรุงมันปรุงสิ่งที่น่ารักปรุงปั๊บรูปผู้ชายที่งามที่สุดปรุงปั๊บรูปผู้หญิงที่งามที่สุดปรุงปั๊บของใช้ไม้สอยของนั้นที่งามน่าใช้ที่สุดสิ่งนี้น่าใช้ที่สุดนี่มันปรุงมันปรุงตามความอยาก งตามขนะองอามยามันไปหมายไว้หมดของเหล่านั้นจะมีจริงหรือไม่จริงก็ก็ไม่สําคัญสําคัญแต่ว่าจิตมันไปหมายคําว่าไปหมายก็คือมันไปสร้างไปปรุงไปกะไปเกลียนเป็นเองสําเร็จรูปเป็นเองเป็นในมนโนภาพนั่นแหละเกิดขึ้นจากความนึกเกิดขึ้นจากความคิดของจิตนี่คือสภาวะของสัญญามันเกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็หลงหลงหลงจิตของเรานะ่ยหลงสัญญาที่จิตมันปรุงขึ้นเพราะจิตปรุงขึ้นเองแล้วก็หลงเองนะปรุงขึ้นเองแล้วก็หลงเองอ๋อปรุงปรุงเองคิดเองนึกเองปรุงเป็นเรื่องกลัวปรุงเองแล้วก็กลัวเองปรุงเป็นเรื่องไม่น่ากลัวสวยน่าสวยน่างามปรุงเองก็ติดใจเองนะปรุงเองก็ติดใจเองหลงรักเอง ปรุงเป็นเรื่องช่างกันหลงช่างซะเอง ท, งทั้งๆที่ปรุงเองกินเองอยู่นี่แหละนี่เป็นเรื่องของสัญญาแต่ถ้าหากเราดูเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าสัญญาก็ศักิ์ทวักเป็นสัญญาจิตผู้รู้มันละเอียดมากไปกว่านั้นอีรู้ว่าเอออันนี้คือสัญญาแยบเข้ามาแล้วรักทันยบเข้ามาแล้วเราก็ทันแยับเข้ามาแล้วก็ทันอาศัยจิตคือผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญาเป็นความสว่างเป็นแว่นซอง อ่าเป็นขอบคายเป็นกล้องขยายอะไรอยู่ในนั้นแหละแยบขามารู้ทันแยบขามารู้ทันรู้ว่านี่เป็นสัญญาแต่ถ้าหากเราไม่ฝึกหัดตัดแปลงให้เกิดความรู้เกิดอย่างเกิดความรู้อย่างนี้วันทั้งวันคืนทั้งคืนเราถูกสัญญานี่แหละมันหลอกอ่าจิดรับรูงปั๊บมันก็แพ้แพ้เข้ามาเองอปรุงเรื่องกลัวน่ากลัวมันก็กลัวเอง ปรุงเรื่องน่าเกลียดมันก็เกลียดเองอปรุงเรื่องปฏิกูลโสโครกมันก็เบื่อนายคลายจางเองแต่เรื่องสัญญานี้ที่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งกระทรวงให้เรียนเช่อนอย่างปฏิกูณและสัญญาสําคัญว่าปฏิกูลโสโครกเมื่อเราปฏิกูลโสโครกเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราเนี่เป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกหรือไม่อาหารเช่นอย่างพระสงฆ์ทั้งชันในบาศเนี่ยพิจารณาหารในบาศ อ่า BigQuery, เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครงเห็นหนอนยั่วเยี่อยู่เต็มบาทนั่นน่ะเจาะข้าวก่อนนั้นเจาะข้าวก่อนนี้เกาเจาะอาหารก่อนนั้นเจาะอาหารก่อนนี้เกิดความเสอิดเสีเอียนอ่าเกิดความเน่าเกลียดเห็นเป็นปฏิกูลเห็นเป็นโสโครกอ่ากับอาหารทั้งทั้ทั้งทที่อาหารต่างๆเหล่านั้นมันก็อยู่ตามภาวะของมันแต่ด้วยเหตุที่เราเอาสัญญาที่เป็นอสุภาษณ์ญาไปจับ ก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเบือ่อหน่ายคลายจางตันหาเข้าไปแทรกไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารนั้นเราก็ศักเท่าว่าสักเทวะฉันสักเทว่วรับทานไปตันหามันไปแทรกมันได้โอ้อันนี้แซ่บอันนี้อร่อยอันนี้ชอบมากหนักตันหามันจะไม่ไปแทรกไม่ได้เ น, นเมื่อตันหานตันหาแทรกไม่ได้กิเลสตัวนั้นมันขยุบย่อบลงไปนี่คือการพิจรารณาสัญญาที่เป็นคุณก็มี อนิจจสัญญาสำคัญว่าไม่เที่ยงเราก็ดูอนิจจสัญญานี่แหละดูไปดูไปดูไปจนเห็นความไม่เที่ยงที่แท้จริงทุกขสัญญาความเปลี่ยนไปของกายดูไปดูไปจนเห็นสร้างร่างกายเป็นทุกข์จริงๆนัตตสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสำคัญว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดูไปดูไปจนเข้าใจและเห็นเป็นอนัตตาจริงๆนี่สัญญาประเภทธรรมก็มี สัญญาประเภทกิเลสก็มีนอกจากเราติดสัญญาแล้วเราก็ติดสังขารตรงยับมันจะทํางานประกอบกันนั่นแหละทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือวิญญาณนักขันะวิญญาณที่กาลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้วิญญาณนักขันก็คืออะไรคือความรู้แจ้งทางขันรู้แจ้งทางกายรู้แจ้งทางเวทนาทางสัญญาทางสังขารทางวิญญาณมันเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณาขันยับตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นท่าเรียกว่าจักขุ่วิญญาณนี่ในหลักท่านพูดท่านบอกอาตาอยายตนะภายในรูปอยายตนะภายนอกพอมันกระทบกันเข้าเกิดความรู้ขึ้นตอนนั้นความรู้ขึ้นตอนนั้นแหละท่าเรียกว่าวิญญาณาทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณาทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณทั้งจมูก เขาเรียกว่าคานวิญญาณทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางกายท้าเรียกว่ากายยะวิญญาณความน้อมนึกในใจทางใจท่านเขาเรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้เป็นหลักธรรมนะเราดูไปแล้วไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละเราจะไปงงว่าโอ้ยท่านเอาคำพีที่ไหนมาพูดเอาที่ใจนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ใจมันมีอยู่ที่ใจถ้าหากเราพยายามศึกษาแล้วก็พยายามหมุนเข้ามาตรงนี้เราจะทราบหลัก สักจะทําในกายของเราในจิตของเราได้เป็นอย่างดีเราจะทันกิเลสเพราะอันนี้เป็นการศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจริงไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่พระไตรปิฎกแต่เป็นพระไตรปิฎกของจริงอยู่ที่นี่พระสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้ไปเรียนอะไรมากมายเพียงแต่ท่านได้ยินธรรมะที่พุทธเจ้าท่านทรงสแสดงเสร็จแล้วท่านก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่กายนี้น้อมเข้ามาสู่จิตนี้น้อมเข้ามาสู่เวทนานี้ ส่วนท่านก็เข้าถึงถรรมได้มนุลุธรรมได้แป๊บเดียวไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนหมดหนังสือนังสือปฐเฐยปิฎกมากมายเพราะท่านมาเรียนของจริงศึกษาของจริงอันนี้เป็นภาคปฏิบัติสิเหล่านี้พาให้เราลุ่มหลงอยู่ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมเนี่ยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วก็หลองอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งวิธีเราทํากินให้สงบเพราะก็ตั้งใจทําให้สงบ นเมื่อตั้งใจทาให้สงบแล้วสงบมากน้อยขนาดไหนก็ตามเวลาจิตถอนออกมาท่านให้พิจารณาหรือเราจะพิจารณาสังเกตสังกาไปพ ร, ร้อมๆกันอย่างที่ว่าลมหายใจเข้า ว, ว่าพุทลมหายใจออกว่าโทแล้วกําหนดดูความดีใจความเสียใจกาหนดดูกิเลสที่มันจะตามมาแทรกด้วยอันนี้ก็เป็นหลักมหาสติอ่าเป็นหลักมหาสติี่ นั่งภาวนามันยังไม่เจ็บมันยังไม่ปวดเราก็สามารถดูได้เรานั่งไปจนเจ็บจนปวดเราเอาความเจ็บความปวดเอาทุกขเวทนามาัดแล้วก็ค่อยพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำสองวาระวาระแรกมันยังไม่เจ็บมันยังไม่ปวดเรานั่งเริ่มต้นใหม่ๆก็ให้เรากําหนดพุทโธพุทโธกํากับด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเสร็จแล้วเราก็พยายามดูกิเลสที่มันจะ ตามอายุแย่จิตอีกด้วยเป็นการสังเกตจิตมันก็เป็นเหตุเพิ่มความละเอียดเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะนั่งไปนั่งไปนั่งไปเราไม่ดูเราไม่ดูลมแหละเพราะว่าลมมันเป็นเราไม่ดูลมแหละลมมันลมมันเป็นรูปเพราะนั่งไปนั่งไปแล้วมันเกิดเวทนาเกิดทุกขเวทนาเราเราปล่อยจากรูปมาเป็นนามคือพิจารณาเวทนาดูเวทนาที่เกิดขึ้น ความเจ็บความปวดเอาจิตของเราเข้าไปอยู่กับภาวะที่มันปวดนั่นแหละถ้าเราอยากเที่ยวว่าความเจ็บความปวดนั้นเหมือนกับกองไฟเอาจิตเข้าไปแช่อยู่กลางๆนั้นแหละลองดูไหมนึบลงไปเลยลองดเอูเราสามารถเล่นได้ถ้าเราพยายามทําจนฉันพิจารณาคล่องแคล่วเราสามารถเล่นเล่นได้เอาจิ ต, ขต เ, เตข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยเอาจิตเข้าไปอยู่ตรงเจ็บต้องปวดนั่นแหละดูดูว่ามันจะมีอะไรมันจะเป็นอะไร จิตเจ็บไหมจิตปวดไหมเวทนาเจ็บไหมเวทนาปวดไหมแต่ถ้าหากตัณหาอุปาทานมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันก็สักเท่าเห็นเป็นสักจะทำอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเห็นแต่ว่าเป็นสักจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองหากอันหนึ่งเป็นฝ่ายรูปอันหนึ่งเป็นไหวอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นฝ่ายนามเวทนาสัญญาสังขารปัญญานี่เป็นฝ่ายนามเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นแต่รูป ก, ก็เห็นเกะแต่นามท่านั้นเองที่ปรากฏแต่ถ้าเราปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้แทรกมาโดยสัญญาตัญหามันแทรกเข้ามาทางสัญญาทางเวทนาทางสังขารทางวิญญาณอัตตาตัวตนมันก็โผล่เข้ามาอัตตาตัวตนมันก็โผล่เข้ามาเมื่ออัตาตัวตนโผล่เข้ามาเราก็ต้องรื้อบันดังเพราะอะไรเพราะมันมีประธานคือว่าเราเราเจ็บเราปวด การพิจารณาแบบนี้ก็เป็นเหตุให้เราเดินทางก้าวไปเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะ ท, ที่ที่ท่านเรียกว่าอัตตาตัวตนนะที่ท่านเรียกว่าสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเราเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักสภาวะธรรมตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันก็เบาไปมันก็ลดไปมันก็น้อยไป น, นี่การตั้งใจภาวนาช่วงสงบเราก็ทําให้สงบช่วงนั่งไปนอนนอนเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้หลักพิจารณาดังอธิบายม า, าจับได้ก็เอาไปทําเพราะทุกคนนี่ผ่านประตูนี้ทุกคนคือประตูเจ็บประตูปวดไม่ใช่นั่งเจ็บปวดนิดหน่อยก็พลิกนั่งเจ็บปวดนิดหน่อยกับพลิกอะไรไม่เกิดยิ่งเราปล่อยให้ตันหาวปาทานแทกเข้ามาแล้วความหงุดหงิดมันจะมาจิงใจเรา ท, ทันทีเลย อันนั้นก็งุศงิดอันนี้ก็งุดงิดอันก็ไม่น่าอันนี้ก็ไม่นา่ารู้ทันทีอต้องพยายามทําใจให้ถึงทำทำใจให้ถึงความงุดงิดนั่นแหละมันงุดงิดด้วยเหตุใดเจิมลงไปตรงที่มันงุศงิดนั่นแหละมันเจ็บมันปวดตรงนั้นก็จิมลงไปที่เจ็บที่ปวดนั่นแหละที่เรียกว่าทําใจให้มันถึงที่เขาเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันทําใจให้มันทันทําใจให้มันเท่าเจ็บปวดมากๆ เหมือนเปลวไฟแล บ, บ, บ, บ, บ, บ, บแลบแลบลบแเราก็ทำใจของเราให้เท่าความเจ็บความปวดนี่แหละที่จะเรียกว่าทำใจให้เท่าทำใจให้เท่าลองดูทํำยังไงถึงจะเท่าลองดูนะทำเท่านอกจากเท่าแล้วก็คือทัน mm hmm. คําว่าทันก็คือตันหาอุปาทานมันแทรกเข้ามาไว้แต่มันทันจ้องเหมือนเราจ้องอยู่หน้าอะไร ห, หน้ารูแย่ที่มันจะคอยโผล่มานั่นจ้องอยู่นั่นแหละแย่แล้ววิ่งเข้ารู เราเคยสังเกตว่ามันมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาโผล่มาดูเราอ่ามันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันโผล่มาเราจ้องคอยดูตัวตันหาตัวปาฐหารที่มันจะโผล่ขึ้นมาที่จิตของเราเมื่อเราคอยจ้องดูแย่จังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันค่อยๆโผล่ออกมาเห็นจนได้นะพอพอมันเห็นเราจ้องมันปั๊บมันก็ลุกลงไปอีกแล้วสักหน่อยหนึ่งมันค่อยโผล่ขึ้นมาแล้วพอเห็นเราจ้องอยู่เนี่ยมันก็ลุก ลกไปแล้วมันไม่กล้าออกมาทำไมถึงไม่กล้าออกมาเพราะมันเห็นว่าเป็นศัตรูปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นแสงสวาง่างเป็นศัตรูของแย่แย่คือตัวตันหาปาทานเนี่ยที่มันจะโผล่ค่อยๆโผล่มาที่ใจของเราเนี่ยนีแย่คือตัวตันหาตัวปาฐานถ้าเราจะเที่ยวกับเมื่อกี้แย่ที่เราตั้งใจภาวนานเน่ย เพลินเพลอเลอไปแล้มันโผล่มาแล้วเพลออเพล่อลินเลินไปแล้มันโผล่ขึ้นมาแล้วนะไอตอนนั้นเน่ะไอช่วงแวบเดียวที่มันโผล่เข้ามาเนี่ยบางทีเราไม่ทันมันเอ่ามันมันเราไม่ทันมันะแทนที่จะโผล่เฉพาะหัวมาเห็นทั้งตัวเห็นทั้งหางเห็นทั้งอะไรหมดทั้งตัวเลยนี่หมายความว่าหมายความว่าอ่าเราไม่ทันมันแหละมันโผล่มาจนหมด ไปแสดงบทแสดงบาดถ้าเป็นรักก็รักถ้าเป็นช่างก็ช่างถ้าเป็นโกรธเป็นเกลียดก็โกรธก็เกลียดไปแล้วแหละมันแสดงมามันออกมาแสดงบทบาทจนเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหมดนี่หมายว่าเราไม่ทันมันมเราไม่ทันมันเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้องกําหนดจดจ่อดูนี่แหละเทียบกับการดูแย้มมันเข้าไปในรู้นี่แหละดูตัณหาที่มันคอยแทรกเข้ามาที่ใจของเราใจของเราตัวที่เป็นพิษเป็นภัย ที่นำทุกนำโทษมาให้กับเรามีสิ่งเดียวคือตัณหาความอยากเราดูไปที่ความอยากของใจของเราเราดูออกไหมในใจของเรามันอยากกิริยาอย่างไงที่มันอยากอ่มันอยากข้าวมันอยากมองมันอยากฟังมันอยากดมมันอยากอะไรแล้ดูความอยากที่มันแสดงออกมาเราดูแล้วเราก็จับได้อ๋อนี่กิริยาของความอยากอ๋อนี่กิริยาของความอยาก เราจ้องเอาไว้เราจับเอาไว้เราศึกษาเข้าไว้อันนี้คือความอยากเวลามันเริ่มแสดงออกมาที่จิตของเรามันดันดันูนนูนที่จิตของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีสติดีมีสัมผััญญาดีพอมันเริ่มดันดันนูนนูนสหน่อยหนึ่งมันเริ่มจะโผล่มาสัหน่อยเราจ้องดูมันแล้วอ่ามันไม่กล้าโผล่มาดอกหมายความว่าผู้รู้เราเนี่ยแน่นหนามั่นคงสติเราแน่นหนามั่นคงปัญญาเราแน่นหนามั่นคง ปัญหาอันเป็นทั่วตัวพิษตัวภัยตัวมืดมืดทึบๆซึ่งชอบแสดงตัวให้ปรากฏในที่มืดมืดเนี่ยคำว่ามืดก็คือประสิจักสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็โผล่ออกมาไม่ได้มันไม่กล้าโผล่เข้ามาโผล่เข้ามาหัวขานเลยโผล่มาก็คอขาดโผล่มาคอขาดปัญญางับเหมือนกับอะไรเหมือนกับมีดเหมือนกับอะไรของเราเนี่ยโผล่มาก็ฟาดมับโผล่มาก็ฟาดมับ นี้เป็นอุปมาอุปไมยเราพยายามดูให้เห็นดูให้เป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้การปฏิบัติในใจของเราในธรรมในใจของเรามันก็พอจะเรียกเก้าไปเก้าไปเก้าไปเก้าไปเลยเก้าไปเลยเก้าเลยตามตามบทตามบาตรตามกนุบายของกิเลสที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นไปในหัวใจของเรา แก่นั้นหมดแก่นี้แก่นี้หมดแก่นั้นแก่นั้นหมดแก่นี้ขยับไปเรื่อยเหมือนไฟเหมือนไม้ขยับปไปเรืเร่อยไม่ไปเรยขยับไปเรื่อยไม่ไปเรื่อยรากเง้าของต้นไม้เง้ามันลงไปลึกลิ่งลงดินไปหรือรากมันชอนชไปขนานกับผิวดินยังไงไฟมันกกินไปจนหมดไฟมันกินไปจนหม ด, มหมดทําไมไฟจึงกิน เพราะว่ารากเง้าของไม้ต่างๆนั้นมันเป็นเชื้อของไฟกิเลสก็เป็นเชื้อของธรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตามหลักท่านพูดว่าผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมผู้นั้นไหลไปตามกระแสนั้นนะไหลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเืยจากลำห้วยไปหา แม่น้ำที่ใหญ่หน่อยเข้ามาหาลงแม่นม้ำโขงลงแม่น้ำเจ้าพยาหลาเข้าไปเรื่อยไหลไปเลยจนถึงมหาสมุทรนะหมายถึงไปไปถึงที่สุดที่สุดของมหาสมุทรสักกายติฐิวิชิกิจฉาศิลปะปรามาตนี่ท่านพูดไว้เป็นหลักวิชิกิจฉานี่ก็เป็นองค์มัตต ของมสดาบันมันมัดไม่รู้ไม่เห็นวิจิตรฉาศิลปตะประมาตในเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจเตีเต้ยมแจ้งชัดเจนแล้วกิริยาที่เราเล่นมันก็สเปสปะอันนั้นจะดีอันนี้จะคลังการให้ทานก็ลุกๆคกลำคลำ ค, คือทําให้สม่ําเสมอการตั้งใจ ร, รักษาศีลก็ลุกๆุกลำคลไ ม, ม่สม่ําเสมอการตั้งใจปฏิบัติ ก็ลุกลุกคลกคําลไม่สม่ําเสมอที่เขาเรียกว่าลูกคลำลุกลุกคลำศิลพ ร, ระธรรมลุกลุกคลำฉินพลดอนอกจากลูกลุกคลำในข้อวัดปฏิบัติที่เรารู้แล้วไม่พอบางทีอย่างนักบวชนอกศาสนาก็ลูกลุกคลำฉินพรดคิดว่าจะได้ปานิพานด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ด้วยการยืนอย่างนี้โดยการทําตะบะอย่างนี้ด้วยการบูชายันอย่างนี้นเขานึกอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นนี่แหละคือวิธีวิธีวิธีที่จะพาไป นิพพานได้นี่ก็เรียกว่าสินพลดสินพลดพายุดอันนั้นเป็นฤกอันนี้เป็นยามอันนั้นเป็นเสนียอันนี้เป็นเจนไรอันนั้นเป็นเคราะหดีอันนี้เป็นเคราะห์ร้ายก็ว่ากันไปนี่เรียกท่านเรียกว่าลูกคลำลูกคลำสินพลดลักษณะนี้เป็นลูกคลำสินพลดแต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วเนี่เป็นผู้ที่หนักแน่นอยู่กับเหตุกับผลอย่างเดียวมีเหตุมีผลเท่านั้น ท, ทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดๆเกิดขึ้นมีขึ้นในโลกเกิดขึ้นจากเหตุเพราะงั้นการพระพุทปฏิบัติท่านจะมองไปที่เหตุเป็นเรื่องใหญ่มองไปที่เหตุเป็นเรื่องสําคัญไปทราบไปเข้าใจที่เหตุแล้วผลก็ชะงักไปทราบไปเข้าใจที่เหตุแก้ที่เหตุแล้วก็ผลที่จะพึงมีมันเป็นกองทุก็มันก็หมดไปมันก็หนับไปเ น, น, นี่ยเพราะฉะนั้นท่านจรงท่านจริงว่า ถึงแม้ว่าจะเอาท่านไปตัดคอให้ท่านปฏิเสธว่าคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ดีจริงนี่ท่านก็ไม่กล้าปฏิเสธเอาท่านไปตัดขอก็ตัดตายเฉยๆนั่นะอยาให้ท่านปฏิเสธท่านจะปฏิเสธไม่ได้ทำไมท่านจึงปฏิเสธไม่ได้เพราะท่านเข้าไปรู้ท่านเข้าไปเห็นเหตุปัจจัยด้วยปัญญาญาณของท่านเองอ่าเป็นปัจจตัง เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจด้วยปัญญยายย่าของท่านเองจะให้ท่านปฏิเสธความรู้ความเห็นของท่านไม่ได้เราจะเป็นผู้มีมีเกณฑ์อย่างนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องไปถึงกรารราคะ า, าละเอียดก็ไปอีกปฏิคะกรารราคะปฏิธะอรูปราคาานะอรมปราคามนุปทิจาวิชาก็าละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยถ้าเราจะเที่ยวกึ้นมือาก็รากแก้วที่มันยังลึก ลงไปข้างล่างนัง่นไฟก็ไหม้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเยไหม้กันหมดอพอมันหลงกรลงกระแสแล้วมันก็จะไหม้จนหมดเพราะฉะนั้นบรรดาพระทธดาบันทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมในาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระทธดาบันต่างๆเหล่านั้นก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในพระพุทธเจ้าองค์นั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเพราะอะไร เพราะเข้าถึงกระแสถามเข้า <c oughs> ถึงหลักของถามได้แล้วไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยถึงทะเลอ่ลาไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไถึงทะเลเอานะพอสมควรแก่เวลาพวกเราได้ยินได้ฟังอ่าเป็นกำลังใจอันไหนเป็นข้อปฏิบัติเอาเอาไปน้อมนำไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเพื่อความผาสุกเพื่อความร่มเยน็นเพื่อความผาสุกเพื่อความห่างไกลาจากกิเลสที่มันมาคอยุ่ยใหญ่จิตใจเมื่ อ, อเรา เราก็จะประสบแต่วความสุขความเจริญ